กรรมฐานสองอย่างและในหัวข้อสังเขปที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้ให้พระกรรมฐานชะนี้มีอถาธิบายโดยพิสดารดังต่อไปนี้กรรมฐานมีสองอย่างคือสพัพพะตะกรรมฐานกรรมฐานที่ปรารถนาเป็นเบื้องต้นในการบําเพ็ญกรรมฐานทั้งปวงหนึ่ง ปาริหาริยกกรรมฐานกรรมฐานที่จำต้องรักษาอยู่เป็นนิดหนึ่งในสองอย่างนั้นที่ชื่อว่าสัพพะกะกรรมฐานได้แก่ความมีเมตตาในหมู่ภิกษุเป็นต้นหนึ่งกับมรณสติคือการระลึกถึงความตายหนึ่งฝ่ายเกจิอาจารย์พวกหนึ่งหมายเอาอสุภาสัญญา คือความสำคัญเห็นในแง่ที่ไม่สวยไม่งามอธิบายว่าอันภิกษุผู้บาเพ็ญกรร ม, มฐานนั้นชั้นต้นต้องกำหนดเสก่อนแล้วจึงเจริญเมตตาไปในหมู่ภิกษุซึ่งอยู่ในเขตว่าภิกษุที่อยู่ในวัดนี้ทั้งหมดจงมีความสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนกันเลยแต่นั้นพึงเจริญเมตตาไปในเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในเขต แต่นั้นพึงเจริญไปในชนผู้เป็นใหญ่ในโคจรารคามคือหมู่บ้านที่ไปรับบิณฑบาตแต่นั้นพึงเจริญไปในสัตว์ทุกชนิดนับแต่มนุษย์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในโคจรารคามนั้นโดยเหตุที่ภิกษุผู้บำเพ็ญกรรมฐานนั้นมีเมตตาจิตในหมู่ภิกษุชื่อว่าทำให้หมู่ภิกษุที่อยู่ร่วมกันนั้นเกิดมีจิตใจนุ่มนวลในตน แต่นั้นภิกษุเหล่านั้นก็จะมีการอยู่ร่วมกันอย่างสบายกับภิกษุผู้บำเพ็ญกรรมฐานนั้นโดยเหตุที่เธอมีเมตตาจิตในเทวดาทั้งหลายซึ่งอยู่ในเขตพวกเทวดาผู้ที่เธอทำให้มีจิตใ จ, จอันนุ่มนวลแล้านั้นก็จะทำหน้าที่รักษาเธอเป็นอย่างดีด้วยการรักษาอันเป็นธรรมโดยเหตุที่เธอมีเมตตาจิตในชนผู้เป็นใหญ่ในโคจรคาม พวกชนผู้เป็นใหญ่ที่เธอทำให้เป็นผู้มีจิตอันนุ่มนวลแล้วนั้นก็จะช่วยรักษาเครื่องบริขารเป็นอย่างดีด้วยการรักษาอันเป็นธรรมโดยเหตุที่เธอมีเมตตาจิตในมนุษย์ทั้งหลายในโครจราคามนั้นพวกมนุษย์ทั้งหลายที่เธอทำให้เป็นผู้มีความเลื่อมใสแล้วนั้นก็จะไม่ข่มเหงเบียดเบียน โดยเหตุที่เธอมีเมตตาจิตในสรรพสัตว์ทุกชนิดนั้นเธอก็จะเป็นผู้มีอันเที่ยวไปไม่เดือดร้อนในที่ทั้งปวงก็แลเมื่อภิกษุผู้บำเพ็ญกรรมฐานนั้นครุ่นคิดพิจารณาอยู่ด้วยมรณาสติว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอนเช่นนี้เธอก็จะงดเว้นอนเนสนาคือการสแสวงหาอันไม่สมควรเสีย จะมีความสังเวชสลดใจเพิ่มภูณทวียิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมจะเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยในสัมมาปฏิบัติและเมื่อเธอมีจิตสั่งสมอบรมดีแล้วด้วยอสุภสัญญาแม้อารมณ์อันเป็นทิพย์ก็จะครอบงำจิตด้วยอำนาจแห่งความโลภไม่ได้ฉนี้แหลกรรมฐานสองอย่างมีเมตตากรรมฐานเป็นต้นนั้นเรียกว่าสัพพัตกะกรรมฐาน เพราะเป็นกรรมฐานที่ต้องการปรารถนาด้วยการอาศสวนาเบื้องต้นในการบำเพ็ญกรรมฐานทั้งปวงด้วยเป็นกรรมฐานที่มีอุปการะมากดังพันนานามายางหนึ่งเพราะเป็นเหตุให้สำเร็จแก่การประกอบภาวนาอันที่ตนประสงค์อย่างหนึ่งและในบรรดากรรมฐานส0ประการนั้นกรรมฐานบทใด เหมาะสมแก่จริยาของโยคีบุคคลใดกรรมฐานบทนั้นเรียกว่าปาริหาริยะกรรมฐานเพราะเหตุที่โยคีบุคคลนั้นจะต้องรักษาไว้เป็นนิดอย่างหนึ่งเพราะเป็นปัจจัยฐานแก่ภาวนากรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปอย่างหนึ่งอาจารย์ผู้ให้กรรมฐาน ท่านผู้ใดก็ตามที่ให้กรรมฐานทั้งสองอย่างที่กล่าวแล้วนี้ได้ท่านผู้นี้แหละชื่อว่าผู้สามารถให้พระกรรมฐานตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ข้างต้นนั้นผู้ประสงค์จะเจริญกรรมฐานพึงเข้าไปหาท่านผู้เช่นนั้นนั่นเทียวส่วนคําว่ากัลยาณมิตรนั้นหมายเอากัลยาณมิตรผู้ที่ดํารงตนอยู่ในฝ่ายข้างดีมีจิตมุ่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติประจำตอนมีอาทิอย่างนี้คือปิโยเคารุภาวนิโยวัตาวตาจวัชนักขโมคัมภีรัญจะกะทัทถกัตตาโนจัตถาเนนิโยชโก 1. มีคุณสมบัติเป็นที่รัก 2. มีคุณสมบัติเป็นที่เคารพ 3. มมีคุณสมบัติเป็นที่น่าสรรเสริญ 4. เป็นผู้สามารถว่ากล่าวตักเตือนห้าเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำต่ำๆสูงๆได้หเป็นผู้สามารถชี้แจงถ้อยคำที่สุ ข, ขุมลุ่มลึกได้และเจ็ดเป็นผู้ไม่แนะนำในทางที่ไม่สมควรอธิบายลักษณะกัลยาณมิตรอธิบายว่า ท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรนั้นย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาหนึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลหนึ่งสมบูรณ์ด้วยสุตตะหนึ่งสมบูรณ์ด้วยจาคะหนึ่งสมบูรณ์ด้วยวิริยะหนึ่งสมบูรณ์ด้วยสติหนึ่งและเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาหนึ่งคือย่อมเชื่อมัน่นต่อความตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้าและเชื่อมั่นต่อกรรมและผลแห่งกรรมด้วยศรัทธาสมบัต ไม่ยอมปล่อยวางการสแสวงหาประโยชน์แก่สรพสัตว์ทั้งหลายอันเป็นเหตุแห่งสัมมาสัมโพธิญาณด้วยศรัทธาสมบัตินั้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่น่าสรรเสริญเป็นผู้ทักท้วงตำหนิโทษว่ากล่าวเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคําของสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยศีลสมบัติเป็นผู้สามารถชี้แจงถ้อยคําอันลุ่มลึกซึ่งประกอบด้วยสัจธรรม และปฏิจจสมุปปาธรรมเป็นต้นด้วยสุตตะสมบัติเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสั ง, งัดไม่คลุกคลีกับหมู่คณะด้วยจาระสมบัติเป็นผู้เพียรพยายามในการปฏิบัติทั้งที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นด้วยวิริยะสมบัติเป็นผู้มีสติตั้งมั่นในทางดีด้วยสติสมบัติ เป็นผู้มีจิตไม่คิดฟุง้งมีจิตมั่นคงด้วยสมาธิสมบัติแล้วรู้แจ้งชัดไม่วิปริตผิดเพี้ยนด้วยปัญญาสมบัติท่านผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเห็นปานนี้นั้นย่อมสอดส่องมองเห็นคติแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมด้วยสติรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษของสัตว์ทั้งหลายตามเป็นจริงด้วยปัญญา มีจิตแน่วแน่อยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษนั้นด้วยสมาธิช่วยกําจัดสิ่งที่เป็นโทษพยายามชักจูงแนะนําสัตว์ทั้งหลายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยวิริยะชนนี้กัลยาณมิตรตัวอย่างก็และกัลยาณมิตรผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทุกทุกทกประการนั้น คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระบาลีรับรองว่าอนุนสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติความเกิดได้โดยอาศัยกัลยาณมิตรคือเราตถาคตนั่นเทียวเพราะเหตุดังนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นการเรียนเอาพระกรรมฐานในสำนักของพระผู้มีพระภาคนั้นนั่นแล เป็นประเสริฐที่สุดแต่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วในบรรดาพระมหาสาวกแปดสิบองค์องใดยังมีชนมายุอยู่การเรียนเอาพระกรรมฐานในสำนักของพระมหาสาวกองค์นั้นย่อมเป็นการสมควรเมื่อพระมหาสาวกนั้นไม่มีอยู่แล้วก็พึงเรียนเอาในสำนักของพระอรหันตขีณาศพองค์ที่ได้ฌานจะตุ ก, กันใน หรือชานปัญจกนัยด้วยพระกรรมฐานบทที่ตนประสงค์จะเรียนเอานั้นแล้วเจริญวิปัสนาซึ่งมีฌานเป็นประทัดฐานจนได้บรรลุถึงซึ่งความสิ้นสุดแห่งอาสวะกิเลสนั่นเถิดถามก็แลพระอระหันตขีณาศพนั้นท่านประกาศตนให้ทราบรู้ว่าท่านเป็นพระขีณาศพตอบ จะต้องตอบทำไมเพราะพระอรหันตขีนาศบนั้นท่านรู้ถึงภาวะที่ผู้จะทำความเพียรแล้วย่อมแสดงตนให้ทราบด้วยความอาจหานและรื่นเริงโดยชี้ให้เห็นถึงภาวะแห่งการปฏิบัติไม่เป็นโมฆะพระอัศคุตะเทระรู้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้จะทำกรรมฐานชนิดแล้วท่านปูลาดแผ่นหนังไว้บนอากาศ แล้วนั่งขัดสมาธิอยู่บนแผ่นหนังนั้นบอกพระกรรมฐานแก่ภิกษุผู้ปรารบพระกรรมฐานแล้วมิใช่หรือเพราะเหตุฉะนั้นถ้าโยกขีบุคคลได้พระอระหันตขีณาศพข้อนั้นนับว่าเป็นบุญแต่ถ้าหาไม่ได้พึงเรียนเอาพระกรรมฐานในสำนักของท่านผู้ทรงคุณสมบัติเหล่านี้โดยจากก่อนมาหลังคือพระอนาคามี พระสกะธาคามีพระโสดาบันปุถุชนผู้ได้ฌานท่านผู้ทรงจำปิดกทั้งสามท่านผู้ทรงจำปิดกสองท่านผู้ทรงจำปิดกหนึ่งแม้เมื่อท่านผู้ทรงจำปิดกหนึ่งก็ไม่มีท่านผู้ใดมีความชำนาญแม้เพียงสังคีติอันเดียวพร้อมทั้งอัตถกถาและเป็นผู้มีความละอายด้วย พึงเรียนกรรมมาฐานในสำนักของท่านผู้นั้นเถิดด้วยว่าบุคคลผู้มีลักษณะเห็นปานชนี้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาประเพณีเป็นอาจารย์ผู้ยึดถือมติของอาจารย์ไม่ใช่ผู้ถือมติของตนเองเป็นใหญ่เพราะเหตุชนี้และพระเทระในปางก่อนทั้งหลายจึงได้กล่าวประกาศไว้ถึงสามครั้งว่าท่านผู้มีความละอายจักรักษา ท่านผู้มีความละอายจากรักษาท่านผู้มีความละอายจากรักษาเชนนี้ก็แลในบรรดากา ร, รยานามิตรเหล่านั้นกา ร, รยานามิตรที่เป็นพระอาหารหันตขีณาศพเป็นอาธิที่ข้าพเจ้ากล่าวมาในตอนต้นท่านย่อมบอกพระกรรมฐานให้ได้เฉพาะแต่แนวทางที่ท่านได้บรรลุมาแล้วด้วยตนเองเท่านั้นส่วนกา ร, รยานามิตรผู้เป็นพระหูสูตร เหตุที่พระบาลีและอัตถกถาอันเป็นอุปการะแก่กรรมฐานเป็นสิ่งที่ท่านได้เข้าไปหาพระอาจารย์นั้นๆแล้วเรียนเอาอย่างขาวสะอาดไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยเหลืออยู่ท่านจึงเลือกสรรเอาแต่สุตตบทและเหตุอันคล้อยตามสุตตบทซึ่งสมควรแก่กรรมฐานนั้นๆจากนิกายนี้บ้างโน้นบ้างหมายถึงคําสอนในพระไตรปิฎก สังยุตตนิกายเป็นต้นนะครับแล้วเอามาปรับปรุงให้เป็นที่สะดวกสบายเหมาะสมแก่โยคีบุคคลผู้ที่ท่านจะให้กรรมฐานสแสดงวิธีแห่งกรรมฐานให้เห็นแนวทางอย่างกว้างขวางเป็นดุจพญาช้างบุกไปในสถานที่รกชัดจึงจักบอกกรรมฐานเพราะเหตุฉะนั้นโยคีบุคคลพึงเข้าไปหากัลยานามิตร ผู้ให้พระกรรมฐานซึ่งมีคุณสมบัติเห็นปานชนีทำวัดปฏิบัติแก่ท่านแล้วพึงเรียนเอาพระกรรมฐานเถิดระเบียบเข้าหาอาจารย์ผู้กาลยาณมิตรลายโยคีบุคคลได้กลาลยาณมิตรนั้นในวัดเดียวกันข้อนั้นนับว่าเป็นบุญแต่ถ้าหาไม่ได้ ท่านอยู่นวัดใดก็พึงไปณที่วัดนั้นและเมื่อไปนั้นอย่าล้างเท้าอย่าทาน้ำมันอย่าสวมรองเท้าอย่ากั้นร่มอย่าให้สิทธ์ช่วยถือธนาน้ำมันและน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นตน้นอย่าไปอย่างมีอันเตวาศิกห้อมล้อมแต่พึงไปอย่างนี้คือพึงทำคมิกะวัดวัดของผู้เตรียมจะไปให้เสร็จบริบูรณ์แล้ว ถือเอาบาตรและจีวรของตนด้วยตนเองไปเมื่อแวะพักนวัดใดๆในระหว่างทางพึงทำวัดปฏิบัตินวัดนั้นๆตลอดไปคือในเวลาเข้าไปพึงทำอาคารตุกกาวัดข้อนี้ได้แก่ธรรมเนียมอันภิกษุผู้เป็นแขกจะพึงปฏิบัติคือหนึ่งเคารพในเจ้าของทิ่นสองแสดงความเกรงใจสามแสดงอาการสุภาพ 4. แสดงอาการสนิทสนม 5. ประพฤติให้ถูกธรรมเนียมของเจ้าของถินละหอยู่ในเสนาส น, นะแล้วอย่าดูดายคือในเวลาเข้าไปพึงทำอาการตุ ก, กะวัดในเวลาจะออกมาพึงทำข้ามิกะวัดให้บริบูรณ์ข้ามีกะวัดได้แก่ธรรมเนียมอันภิกษุผู้เตรียมจะไปพึงปฏิบัติ คือเก็บงำเสนาสนะให้เรียบร้อยมอบคืนเสนาสนะและเครื่องใช้และบอกลาเจ้าของถิ่นพึงมีเครื่องบริการเล็กน้อยและมีความประพฤติอย่างเคร่งครัดที่สุดก่อนแต่จะเข้าไปสู่วัดนั้นพึงให้ทาไม้ชําระฟันให้เป็นกับปิยะสมควรแก่ที่จะใช้ได้เสียแต่นระหว่างทางและพึงถือเข้าไป และอย่าได้ไปแวะพักณบริเวณอื่นด้วยตั้งใจว่าจะพักสักครู่หนึ่งล้างเท้าทานน้มันเท้าเป็นต้นแล้วจึงจะไปสำนักของอาจารย์เพราะเหตุไรเพราะว่าถ้าในวัดนั้นจะพึงมีพวกภิกษุที่ไม่ลงคลองกันกันกบอาจารย์นั้นภิกษุเหล่านั้นก็จะพึงซักถามถึงเหตุที่มาแล้ว ประกาศตำหนิติโทษของอาจารย์ให้ฟังจะพึงก่อกวนให้เกิดความเดือดร้อนใจว่าชิบหายแล้วสิถ้าคุณมาสู่สำนักของภิกษุองค์นั้นข้อนี้จะพึงเป็นเหตุให้ต้องกลับไปเสียจากที่นั้นได้เพราะฉะนั้นพึงถามถึงที่อยู่ของอาจารย์แล้วตรงไปอย่างที่นั้นเลยทีเดียว ระเบียบปฏิบัติต่ออาจารย์ท่านแหลแม้อาจารย์นั้นจะเป็นผู้อ่อนพรรษากว่าก็อย่าพึงยินดีต่อการช่วยรับบาตและจีวรเป็นต้นถ้าท่านแก่พรรษากว่าพึงไปไหว้ท่านแล้วยืนคอยอยู่ก่อนพึงเก็บบาตและจีวรไว้ตามที่ท่านแนะนำว่าอาวุโสเก็บบาตรและจีวรซะ ถ้าปรารถนาอยากจะดื่มก็จงดื่มตามที่ท่านแนะนำว่าอาวุโสนิมนดื่มน้ำแต่อย่าเพิ่งล้างเท้าทันทีตามที่ท่านแนะนำว่าล้างเท้าซะอาวุโสเพราะถ้าเป็นน้ำที่พระอาจารย์ตักเอามาเองย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่เมื่อท่านแนะนำว่าล้างเถิดอาวุโสฉันไม่ได้ตักมาเองหรอกคนอื่นก็ตักมา พึงไปนั่งล้างเท้าณโอกาสอันกำบังที่อาจารย์มองไม่เห็นหรือหน้า่วนข้างหนึ่งของวิหารอันเป็นที่ว่างเปล่าถ้าแลท่านอาจารย์หยิบเอาขวดน้ำมันสำหรับทามาให้พึงลุกขึ้นรับโดยเคารพด้วยมือทั้งสองเพราะถ้าไม่รับความสำคัญเป็นอย่างอื่นก็จะพึงมีแกอาจารย์ว่าภิกษุนี้ทำการสมโคคือการใช้ร่วมกัน ให้กำเริบเสียหายตั้งแต่บัดนี้เทียวคือรังเกียจการใช้สิ่งของร่วมกันแต่ครั้นรับแล้วอย่าพึ่งทาตั้งต้นแต่เท้าไปเพราะทาน้ำมันนั้นเป็นน้ำมันสำหรับทาตัวของพระอาจารย์แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะฉะนั้นพึ่งทาศีสษะแล้วทาตามลำดับเป็นต้นก่อนแต่เมื่อท่านแนะนาว่าอาวุโส ทาเท้าก็ได้น้ำมันนี้เป็นน้ํามันสําหรับรักษาอาวัยวะทั่วไปพึงทาที่ศีรษะนิดหน่อยแล้วจึงทาเท้าครั้นทาเสร็จแล้วพึงเรียนว่ากระผมขออนุญาตเก็บขวดน้ํามันนี้ขอรับเมื่อท่านรับเองก็พึงมอบถวายคืนอย่าพึ่งเรียนขอว่าขอท่านกรุณาบอกพระกรรมฐานให้แก่กระผมด้วย ตั้งแต่วันที่มาถึงแต่ถ้าอุปถาประจาของท่านอาจารย์มีพึงขออนุญาตกับเขาแล้วทำวัดปฏิบัติแก่ท่านนับตั้งแต่วันที่สองไปถ้าแม้ขอแล้วแต่เขาไม่ยอมอนุญาตให้เมื่อได้โอกาสก็พึงทำทันทีเมื่อทำวัดปฏิบัติพึงจัดเอาไม้ชาระฟันสามชนิดเข้าไปวางไว้คือชนิดเล็ก ชนิดกลางและชนิดใหญ่พึงตระเตรียมน้ำว้วนปากและน้ำสงสองชนิดคือน้ำเย็นและน้ำอุ่นแต่นั้นพึงสังเกตไว้ท่านอาจารย์ใช้ชนิดไหนถึงสามวันก็พึงจัดเฉพาะชนิดนั้นตลอดไปเมื่อท่านไม่ถือระเบียบแน่นอนใช้ตามมีตามเกิดก็พึงจัดไปไว้ตามที่ได้ธุระอะไร ที่ข้าพเจ้าจะต้องพิจารณามากเล่าวัดปฏิบัติโดยชอบอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แล้วฉันใดพึงทำวัดปฏิบัติแม้นั้นให้ครบทุกๆอย่างซึ่งมีปรากฏอยู่ในคำพีมหาคันตะวินัยปิฎกมีอาธิว่าภิกษุทั้งหลายอันเตวาสิกพึงประพฤติปฏิบัติโดยชอบในพระอาจารย์กิริยาที่ประพฤติปฏิบัติโดยชอบในพระอาจารย์นั้น ดังนี้พึ่งลุกขึ้นแต่เช้าแล้วถอดรองเท้าห่มจีวรชเวียงบาถวายไม้ชำระฟันถวายน้ำล้างหน้าปูลาดอาสนะถ้ามีข้าวต้มพึ่งล้างภาชนะให้สะอาดแล้วน้อมข้าวต้มเข้าไปถวายเมื่อโยคีบุคคลทำให้ท่านอาจารย์พอใจด้วยวัดสมบัติอยู่โดยทํานองนี้ ตกถึงเวลาเย็นกราบท่านแล้วเมื่อท่านอนุ ญ, ญาตให้ไปว่าไปได้เช่นนี้จึงค่อยไปเมื่อใดท่านถามว่าเธอมาณที่นี้เพื่อประสงค์สิ่งใดหรือเมื่อนั้นพึงกราบเรียนเหตุที่มาให้ทราบถ้าท่านไม่ถามเลยแต่ก็ยินดีต่อวัดปฏิบัติครั้นล่วงเลยมาถึงสิบวันหรือปักหนึ่งแล้วแม้ถึงท่านจะอนุ ญ, ญาตให้ไป ก็อย่าพึ่งไปพึงขอให้ท่านให้โอกาสแล้วพึงกราบเรียนถึงเหตุที่มาให้ทราบสักวันหนึ่งหรือพึงไปหาท่านให้ผิดเวลาเมื่อท่านถามว่ามาทําไมพึงช่วยโอกาสกราบเรียนถึงเหตุที่มาถ้าท่านนัดหมายให้มาเช้าก็พึงไปเช้าตามนัดนั่นแหละก็แล้วถ้าตามเวลาที่นัดหมายนั้น โยคีบุคคลเกิดเสียท้องด้วยโรคดีกำเริบก็ดีหรืออาหารไม่ย่อยเพราะไฟธาตุอ่อนก็ดีหรือโรคอะไรอย่างอื่นเบียดเบียนก็ดีพึงเรียนโรคนั้นให้ท่านอาจารย์ทราบตามความจริงแล้วกราบเรียนขอเปลี่ยนเวลาที่ตนสบายแล้วพึงเข้าไปหาในเวลานั้นทั้งนี้เพราะว่าในเวลาที่ไม่สบายแม้ท่านอาจารย์จะบอกพระกรรมฐานให้ ก็ไม่สามารถที่จะมานาสิการได้อธิบายพิสดาในหัวข้อสังเขวว่าพึงเข้าไปหากาลยานมิตรผู้ให้พระกรรมฐานยุติเพียงเท่านี้